เส้นฝันที่เคารพคะยังเป็นวันแรกของสัปดาห์กันอยู่นะคะสําหรับรายการสัสนิษฐานาซึ่งดาเนินรายการโดยดิฉันสรนนีนานพงศ์แล้วก็มีประสงค์สองรูปนะคะที่ผ่านไปนั้นเป็นเพียงรูปแรกเท่านั้นก็คือพระมาร์คชาควโรกับพระสูตรที่ท่านตั้งใจจะมาให้ความรู้กับพวกเราว่าพระภิกษุในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นมีพระวินัยกํากับในเรื่องของเรื่องที่จะพูดได้มากน้อยเพียงใดวันนี้เป็นวันพระนะคะ เป็นโอกาสของท่านที่อาจจะไม่เคยฟังมาก่อนเลยเปิดมาปุ๊บนี่ได้พบพระสองรูปเรามาพบพระรูปที่สองกันต่อเลยนะคะนั่นคือพระอาจารย์ไทบูรณ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีน้อมสักการะท่านคะเชิญพานค่ะวันนี้เป็นวันพระอืวันพระสําหรับวัดป่าดอนหายโศกแตกต่างจากวันธรรมดาอย่างไรคะในกิจกรรมค่ะอะก็จะมีชาวบ้านมาใส่บาตรที่วัด มากขึ้นมากกว่าวันปกติแล้วก็อาจจะมีดอกไม้อะไรที่เขามาถวายในวันพิเศษในวันพระด้วยอ๋อค่ะอกอก็แสดงว่าไม่ได้มีเหมือนกับเป็นการทำบุญพิเศษที่แทนที่จะใส่บาตรเสร็จแล้วกลับบ้านเหมือนกับวันทุกๆวันแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาเลี้ยงพระกันอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมคะออไม่ได้เป็นอย่างานั้นไม่ได้เป็นอย่างานั้นอ๋อค่ะแต่ว่าชาวบ้านเดี๋ยวนี้ ยังถือว่ามาวัดในวันพระมากขึ้นไหมคะหรือว่าบางตาลงไปตามเวลาที่ผ่านไปก็จะเป็นคนรุ่นใหม่มาด้วยนิดนิดหน่อยหน่นนนะส่วนคนรุ่นที่บางตาลงไปนี่คือคนรุ่นเก่าๆเนี่ยบางตาลงไปเพราะว่าอายุมากขึ้นบ้างตายไปบ้างนี่นะอ๋อค่ะคือต้องเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งเห็นภาพนะคะว่าวัดปด่าดอนไห้โศกเนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่ในอำเภอ แล้วก็จัดได้ว่าไม่ได้พลุกพลาด น, นะคะตรงย่านที่อยู่อะคะ่ะใช่ก็จะเป็นคือมันก็เรียกว่ า, ว า, าบ้านนอกเลยเอา้าคุณโยมติ <c oughs> บ้านนอกเลยอืมค่ะเอคําว่าบ้านนอกเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าแหมมันดูไม่สีไล <c oughs> แต่ในมุมของดิฉันที่ต้องบอกว่าเป็นชนบทที่น่าอยู่มากอาชนบทใช่และน้าไปหลีกเรน <c oughs> ถ้าใครสนใจเรื่องหลีกเรนตอนนี้ถ้าเข้า Facebook สรญนีนาคพงศ์ดิฉันก็ขึ้นเหมือนกันนะคะอื <c oughs> ไป แชร์มาจากาเว็บไซต์ของท่านเพบูนนี่แหละคะ่ะแล้วมีหลายคนสนใจก็ถามว่าที่ไหนอย่างไรเรื่องการหลีกเล่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็ที่วัดป่าเราในสงเราก็จัดทุกๆเดือนเดือ น, อนละประมาณเจดวันในครั้งต่อไปก็จะเป็นของเดือนกุมภาวันที่สี่ถึงสิบสองวันที่สี่ถึงสิบสองหลีกเนมันดีอย่างไรค่ะหลีกเล่นนี่เป็นคาเป็นพุทธวจนะพรา้าก็เคยบอกว่า พระองค์เนี่ยไปหลีกเลนอยู่เสมอแล้วก็การหลีกเลนเนี่ก็คือ ถ, ถ้าดูจากข้อปฏิบัติของพรุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระองค์เนี่ยจะออกจากที่หลีกเลนอยู่แต่ผู้เดียวใช่ไหมแล้วก็ในระหว่างที่หลีกเลนอยู่เนี่ยจะไม่พูดกับใครเลยแล้วก็จะมีภิกษุที่นำอาหารบินธบไปให้เท่านั้นคือบินธบตัวเองก็ไม่ไป<อ>แล้วก็ภิกษุที่นำอาหารบินธบามาเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันด้วย ขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ยังต้องหลีกเลนอีกเหรอคะใช่หลีกเล่นบ่อยนะคุณโยมเตีบางทีเจ็ดวันบ้างห้าวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างสามเดือนบ้างจนกระทั่งทําบ่อยจนกระทั่งพวกปริพาชกเนี่ยพากันมาะโจทย์นะว่าสงสัยสมณโคดมนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงทำไมยังต้องหลีกเล่นอยู่เรื่อยอพระพุทธเจ้าก็ตอบข้อแก้ข้อกล่าวหานี้โดยบอกว่าเพื่อที่จะประกอบสุขวิหารธรรมในในปัจจุบัน คืออยู่เป็นสุขอะ่ะคุณโยมติ่นลุกลองคิดดูคนที่ต้องรับแขกอยู่เรื่อยๆน ะ, ะแค่แค่ว่าเราคุยกับคนอยู่อย่างเงี้ยจะไปห้องน้ํานี่ก็อย่างยากเลยพระรเจ้าเคยบอกว่าเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังนี่ไม่เห็นใครเนี่ยเราก็ยังรู้สึกสบายแม้ด้วยการถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ประการที่สองสาเหตุประการที่สองคือต้องการทําให้เป็นตัวอย่างกับภิกษุรุ่นหลัง การที่ไปรีกรันค่ะก็เท่ากับว่าถ้าถ้าหลับตาเอาแค่คิดถึงพระภิกษุที่มีชื่อเสียงถ้าพาะสัตยว่าคนขึ้นคนขึ้นเนี้ยนะคะอื ม, อมก็เห็นท่านเนหน็ดเหนื่อยไม่มีเวลาว่างเลยและขนาดระดับพระศ า, าสดาคือพระพุทธเจ้านี่จะขนาดไหนแล้วก็การที่ทําอย่างนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังด้วยอย่างสมมต้องเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่ว่าเป็นภิกษุ ด, ดังหรือว่าอะไรเงี้ย เออถ้าอยู่ๆปุ๊บท่านหลีกเล้นไปเลยคุณหนึ่งเขพบไม่ได้คุณหนึ่งเขาก็ที่มาพบก็จะรู้แล้วโอท่านมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะเออเราน่าจะดําบ้างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีกับภิกษุที่มาในรุ่นหลังได้ค่ะอืแล้วบางทีถ้าหากว่าพระภิกษุรูปนั้นเกรงใจโยมากเกินไปก็เหมือนกับไปรบกวนการที่ท่านจะอยากจะอยู่แบบสงบเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนั้นด้วยไหมคะใช่ใช่ ท่านครับทีท่านเคยอ่านประวัติของอพระภิกษุที่ได้รับการเคารพสักการะมากว่าเป็นพระสุปฏิปันโนบางรูปเนี่ยนะคะท่านก็จะปรากฏเรื่องทำนองนี้ค่ะว่าจะชอบที่จะอยู่ลำพังมไม่ค่อยพูดไม่ชอบพูดนะคะแล้วก็จนกระทั่งต้องมีผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเนี่ยไปขอ ว่าสัปดาห์นี้ขอสองวันช่วยรับแขกหน่อยได้ไหมอะไรนคะก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดานะคะคนก็อยากพบก็ลืมนึกถึงพระไปทีนี้ตอนนี้ค่ะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สำหรับท่านทั้งหลายดีกว่ามีท่านฟังของท่านพิบู์เนี่ยนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาในรายการบอกว่าท่านเนี่ยอธิบายได้ดีค่ะเธอก็นำไปใช้ยึดเหนี่ยวในชีวิตประจาวันได้ วันนี้ที่ถามมาถามเรื่องบทสวดมนต์ว่ามีมากมายหลายบทหลายพระอาจารย์เธอสงสัยว่าสาระสำคัญของการสวดเนี่ยเป็นแนวทางในการฝึกจิตให้เป็นสมาธิใช่หรือไม่อ๋อค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการสวดมนต์เนี่ยมาได้ไปทำการค้นคว้ามาอยู่หลายจุดนะโดยใช้พุทธวจนะเนี่ยเราเสิร์ชเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่หคีย์เวิร์ดที่เราใช้ในการเสิร์ชตรงนี้ก็มีทั้งสาธยายธรรม ท่องบนคือพระพุทธเจ้าจะใช้หลายคํามากสวดมนต์ก็มีนะ<ะ>ไปพบอยู่ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะทั้งหมด7ตําแหน่งนะที่มีคําตรงนี้อยู่พระพุทธเจ้าได้เคยพูดถึงเพื่อความตั้งมั่นของพระศาสรรนาะเป็นหนึ่ง<ะ>ในเหตุ5ประการที่ใครสาธยายทําอยู่เรื่อยๆเนี่ยน ะ, ะ, ะประการที่สองนี่ก็เป็นเหตุให้ถึงวีมุตนะเพราะว่าพอเราท่องบน่นประการแรกก่อนนะเพื่อความตั้งมั่นของพระศัศาสนาคือเราจะสามารถจดจําพุทธวจนะที่ถูกต้องได้ นะทรงมรติกาทรงแม่บทได้นะคือเป็นการสวดมนต์เพื่อให้ต้องจำไม่ไดนะ้อันที่สองเพื่อให้ถึงวิมุตต์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาที่เราสวดมนต์แล้วเนี่ยเราจิตเราจะเป็นสมาธิไดนะ้แล้วก็ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงได้มีปิติมีสมาธิเห็นตามที่เป็นจ ร, ร, ริงได้อันที่สามนะเป็นอาหารของความเป็นมหูสูตรอันนี้เป็นเรื่องที่พระอ น, นุนได้ตรัสได้คุยกับท่านพระสาริบุต คนที่อาจจะเป็นผหูสูดคือผู้รู้มากทรงจําได้เนี่ยคุณต้องท่องบนบ่อยๆ mm. แล้วต้องรู้ความหมายด้วยนะคนจะเป็นผู้หูสูดอ่ะแล้วก็ <Okay. S 1> อันที่สี่นี่จะเป็นองค์ประกอบของการที่เป็นบริษัทอันเลิศบริษัท <Okay. S 1> ที่เลิศเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียวบว่าคนไม่สวยกับคนสวดเอาคนสวดดีกว่า <Okay. S 1> อย่างนี้เปน็นต้นแล้วก็อันที่ห้านี่ก็คือทําให้ไม่เป็นมนทินมนทินในที่นี้ก็อย่างเช่นว่าอถ้าเรามีเงินมีทรัพย์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้จ่ายบ้างเนี่ย ก็จะทรัพนั้นก็จะเป็นมณฑินอย่างเงี้ยการที่มีมณ์ ม, ม, มีบทสวดมณ์ล้วไม่ได้ท่องไม่ได้สวดก็จะเป็นมณฑินได้อ๋ออย่างงั้นเหรอคะเอ๊ะทีนี้ก็เลยเกิดข้อสงสัยอะคะ่ะเนื่องก็สังเกตว่าไปบางที่ก็ ส, งส่งเสริมให้สวดมนณ์อ่าบางคนก็เลยสวดอย่างเดียวเลยนะคะอบอกว่าพอเข้าห้องพระนี่สวดจนหมดแรงละคะ่ะอ่าแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่ชอบสวดมณ์ชอบนั่งสมาธิอื ความพอดีมันอยู่ตรงไหนก็ท่านคะอยู่ตรงนี้พรุทธเจ้าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามนะที่สาธยายมนแล้วคิดว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยข้อปฏิบัติอันยิ่งเพียงด้วยอาการแห่งการสาธยายมนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นอย่างนั้นเอาไหมทำมช่วยผูธช้ชานะครับผู้ช้าๆคือถ้าใครสวมดมนแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมแล้วด้วยเพียงแห่งอาการสาธยายมนไม่เป็นอย่างนั้น หมายควมว่าถ้าคิดว่าฉันสวดแล้วฉันคิดว่าเออเดี๋ยวฉันจะบรรลุเป็นพระอรหันฉันได้บูชาพระเจ้าแล้วไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่ า, ย, ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่อ๋อประการที่สองข้อควรระวังก็คือสาธยายมนมากจนเป็นเหตุให้วันคืนล่วงไปโดยไม่ประกอบความสงบในใจละเลยการหลีกเล้นยังชื่อว่าไม่ใช่อยู่ด้วยธรรมสาธยายมนมากจนเกินไปจนทําให้ไม่ประกอบความสงบในภายในละเลยการหลีกเล้น ชื่อว่าอย่างไม่ได้อยู่ด้วยธรรมสวดเป็นอย่างเดียว <î mes> แต่ว่าตัวเองไม่ยอมไปหลีกได้ไม่ยอมนั่งสมาธิสวดเป็นอย่างเดียวปากท่องไปแต่จิตไม่เคยคิดตามเลยนี่สอง <c oughs> ข้อหาที่จะต้องควรระวังในการสวด น, น่าจะเป็นความรู้ที่ได้ประโยชน์มากสำหรับพวกเราที่ก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างไรสะดวกอย่างไรนะคะก็ทาตามที่ได้ฟังมาตามความสะดวก หากยังเป็นไปอยู่ในกรอบที่ท่านไทบูรณได้พูดที่พูดมานั้นคือพูดโทษจนะหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องคือคนคนทั่วไปมักจะส่งพูดถึงแต่ข้อดีของการสวดมนต์ถูกไหมค่ะแต่ว่าข้อเสียคือหมายความว่าข้อควรระวังผู้นี้ดีกว่าข้อควรระวังที่บุรุษเจ้าได้ตราต่อไ้เนี่ยยังไม่ได้เคยมีใครนํามาพูดถึงเท่าไหร่นะคือมีสองประการนะคือประการแรกเนี่ยคนคิดว่าสวดมนต์แล้วตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติดีละอันนี้ยังไม่ใช่ด้วยอาการแห่งการสวดนะแต่ถ้าคุณสวดไปแล้วคุณเข้าใจไปด้วยอันนี้ดี แ, แล้ประการที่สองก็คือว่าสวดจนกระทั่งวันคืนล่วงเลยไปแล้วตัวเองไม่ไปปฏิบัติไม่เป็หลีเกเลนก็ชื่อว่ายัางไม่ได้อยู่ด้วยธรรมค่ะอันนี้น่าน่าคิดมากก็ไปแสวยหาความพอดีกันก็แล้วกันนะคะคือดีทั้งหมดแหละถ้าสวดมนต์เนี่ยจะให้ดีท่านพุทบุตรบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าใจในนั้นด้วยถูกไหมค ะ, คะแล้วก็ยังมีอีกสองประเด็นที่ว่าข้อดีของการสวดมนต์นะนะค่ ะ, ะคือเป็นบริการของจิตเพื่อไม่ให้มีการเบียดเบียน บริการของจิตเพื่อไม่ให้มีการเดือดเดือแล้วก็อันที่ห้าอันสุดท้ายอันที่เจ็ดนะเป็นเหตุที่ให้รักความง่วงได้อันนี้เป็นเรื่องที่บอกกับท่านพระมหาโมคละนะขอแก้ง่วงค่ะใช่แก้ง่วงได้สมมุติว่านั่งสมาธิแล้วง่วงๆอย่างเงี้ยให้ลุกมาสวดมนต์ก็ได้ครูุกาตรัสอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อที่สี่เลยประมาณนี้แหละข้อที่สี่คือถ้าถ้าเราง่วงอยู่เนี่ยก็ให้ สารทายทำโดยพิสดารที่เราเรียนมาแล้วโดยพิสดารคือไม่ใช่บนอย่างเดียวด้วยต้องเข้าใจถูกนะ้ะถ้าโดยพิสดารใช่ใ ช, ใช่โดยละเอียดว่างั้นเถอะค่ะ อ, อะก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ทีนี้แง่มุมที่คิดว่าดิฉันยังไม่ได้ถามแล้วจะเป็นประโยชน์ปิดประเด็นให้กับท่านผู้ฟังอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องที่กราบเรียนถามไปแล้วนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมค ะ, ะมีสองอีกสองอย่างคือว่าพุทธเจาพูดถึงการสวดมนต์แล้วก็ทํายังไงถึงจะให้แจ่มแจ้งได้นาน คือทำไงถึงจะให้จําได้บ้างเถอะบางคนสวดเป็นร้อยรอบก็ยังจําไม่ได้น ะ, ะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงการที่ไม่มีนิวรณ์ถ้าจิตของเธอเนี่ยไม่มีนิวรณ์นะมนที่สวดเนี่ยสาธยายเนี่ยจะทําให้จําแจ้งได้นานจิตไม่มีนิวรณ์เป็นยังไงล่ะคะนิวรณ์คือเครื่องกลางกาันคือไม่มีสมาธินั่นเองถ้าเราสวดแบบไม่มีสมาธิเนี่ยเราจะจําไม่ได้ถ้าเราสวดแบบมีสมาธิจะทําให้ความจําแจ้งของมนเนี่ยอยู่ได้นาน ค่ะก็เท่ากับว่าการสวดมนต์ในไตยยที่เกิดประโยชน์สูงสุดนี้เนี่ยสมาธิเป็นองค์ประกอบสําคัญถูกต้องถูกต้องสมาธิที่ว่านี้ใช่สมาธิเดียวกันกับการที่ไปนั่งภาวนาอาณาปานสติเป็นต้นนี้ไหมคะสมาธิในที่นี้คือสัมมาสมาธินั่นเองคือเหมือนกันว่างั้นเถอะโอค่ะงั้นจะว่าไปก็คือการสวดมนต์ที่ถูกต้องคือเป็นการสวดมน์ อย่างมีสมาธิใช่เดินมรักไปด้วยในขณะสวดว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นคำถามของคุณนงรักษ์ะก็ถ้าจะตอบโดยตรงก็คือว่าใช่นั่นเองถ้าตอบแบบฟันธงนะคะแบบหมอดูคนหนึ่งเพราะว่าคุณคุณครูนงลักษถามมาว่าเป็นแนวทางในการฝึกจิตให้เป็นสมาธิใช่หรือไม่ฟันธงอ่าใช่ค่ะแล้วก็บทที่สวดนี้เพราะฉะนั้นก็แน่นอนถ้าเราดูองค์ประกอบเหล่านี้นัเราก็ต้องสวดสิ่งที่เป็นพุทธวจนะละอย่างคนไม่เคยสวดมนเลย มาฟังท่านภับูรณ์แบบนี้โอ้โหประโยชน์เยอะจังเลยแถมรู้วิธีแล้วแต่ไม่รู้จะสวดบทไหนดีขอคําแนะนําจากท่านภบูรวันนี้เลยค่ะออสิ่งที่อา จ, จะมาท่องอยู่เป็นประจำนั้นคืออ e ิตบปโซเนี่ยนะบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพระพุทธชจ้องหรือถ้ากิดเด็กเนี่ยนะคะใช่ใช่แค่แบบเบสิกเบสิกนี่เองะนะเด็กสมมุติเราเข้ามาในกุฏิเราอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลย เราก่อนเราจะกินข้าวอย่างเงี้ยเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมระสงค์เอ๊ะเราจะนึกถึงยังไงนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์ก็อิติปิโสนี่ก็ได้หรือว่าสวัคขาโตก็ได้หรือสุปฏิปันโนก็ได้แค่นี้เองเราก็นึกถึงอยู่เรื่อยๆค่ ะ, ะในที่นี้ไม่ใช่อิติปิโสรู้แต่คําสวดแต่ต้องรู้ไหมคะว่ า, วาพระพุทธเจ้า ม, มาาี ค, คุณสมบัติอย่างไรใช่ใช่ตามความหมายในนั้นใช่ ก็มไม่ยากเกินเข้าใจเพียงแต่ว่ามันอาจจะกระพร่องกระแพร่งบ้างนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ค่อยๆอยับแต่แปลว่าที่เรียนกันมานี่ไม่สูญเปล่าเลยเป็นบทที่ดีที่สุดองนั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยเออก็เอาง่ายๆไว้ก่อนใช่ไหมถ้าจะลึกซึ้งขึ้นไปอย่างก่อนกำหนดอาหารก็จะมีบทพิจารณาอาหารอย่างนี้เราก็ท่องได้ท่านไปบูรณ์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นบทที่มีคุณค่ามาก อเอาดีฉันถามก่อนจบอีกหนึ่งนาทีหน่อยเาว่าก็าสวดสามบทนี้ได้อะไรกันทั้งค่ะได้คือบางคนก็มีแต่อาการอย่างสวดก็จะไม่ได้อะไรน ะ, ะแต่ถ้าเราสวดแล้วแบบที่จะทำให้จิตเป็นมีปีติมีสมาธิอันนั่นแหละจะเป็นบาต ท, ทานในการก้าวลงสู่วิปุตรได้อืก็คือว่าได้ผลดังที่ได้ กล่าวมาในช่วงต้นของรายการนั่นเองนะคะค่ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะคะใครยังสวดไม่เป็นไปสวดเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วสวดไม่ได้ลองถามลูกดูก็ได้นะคะเพราะบางโรงเรียนเขาสอนค่ะวันนี้คงจะต้องกราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านไพบูรณ์นะคะ พรุ่งนี้ไม่แน่ดิฉันอาจจะขอบทสวดมนต์ที่ advance นะคะบทเก้าวหน้าขึ้นไปอีกสักวันหนึ่งดีไหมคะได้ได้่<ค>านก็กลับเรียนให้เผื่อท่านจะเตรียมเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายด้วยเลยน้มักการขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ ท, ท่านเพียงที่เครารพค่ะและผ่านไป น, นั้นก็คือพระอาจารย์พยุนอภิปุโนจากวัตรปาดอนหายโศกจงังหวัดอุดรธา น, นีซึ่งระยะนี้ท่านก็เดินทางมากรุงเทพบ่อยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาที่พบกับท่านทั้งหลายมากนัก เอาไว้เวลาไหนที่มีเผื่อที่จะให้พวกเราไปพบได้ดิฉันจะบอกเหมือนกับที่ผ่านๆมาก็แล้วกันค่ะวันนี้รายการสรัสนสีสนทนายังดําเนินรายการโดยดิฉันสรัสนสีนาคพงศ์นะคะและก็ยังอยู่ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติและก็ยังมีหนังสือพุทธวัจนะที่จะให้ท่านไปใคร้ครวญคําอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังจะได้ธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย 022690006แต่ถ้าหากว่าอยากจะทำแบบคุณครูนงลักษ c ที่ส่งคำถามมาเมื่อสักครู่นี้ก็ไปที่เพียวธรรม a .com/106 ติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตีหนะคะวันนี้ขอให้พุททวจนะที่ท่านนำเอาไปใช้ในชีวิตนั้นส่งผลเป็นความสวัสดีให้แก่ชีวิตของท่านทุกคนคะ่ะพุทวัสวัสดีคะ่ะ